คนเรามักมองว่าความอึดอัดที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นมีต้นเหตุอยู่ที่คนอื่นถ้าลองมองสิว่าหลายๆครั้งเราขับแค้นเพราะคิดมีความคิดเป็นเหตุสําคัญของความขับแค้นอันนั้นก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันคือเป็นมโนกรรมที่คิด เพ่งโทษผู้อื่นหากเราเลิกคิดหรือคิดในทางดีแทนใจก็จะเปลี่ยนจากทุกมาเป็นสุขดังตริน ท่าผู้ฟังเคยมีความเครียดบ้างไหมในช่วงนี้นก็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าในช่วงสิ้นปีเนี่มักจะเครียดเพราะว่าทํางานมามากและในช่วงสิ้นปีนี่เขามักแกต้องปิดบัญชีจะต้องสรุปงานทั้งหมดการงานทั้งหลายจึงต้องเร่งรีบ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 อันนี้มันก็จะช่วยเราได้่องที่เราอาจจะเปลี่ยนียบบทคือการใช้วิธีแบบนี้ล่ะเป็นการเปลี่ยนียบบททั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเราเคยได้ยินแต่เปลี่ยนียบบททางด้านร่างกายแต่นี่เป็นการเปลี่ยนียบททางด้านจิตใจด้วยพลิกกิจเส้อไหมเนี่ยนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติแล้วเกิดความเครียดมืนชิษะพื้นทรายอาจเจียนยแสดงว่าตั้งใจมากเกินไป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 บาดกว่ดเล็กน้อยเราก็จะเพลินไปกับงานเนี่ยมันคลายเครียดได้บางทีมันหายนะอาการมึนศีษะปวดสีษะมันหายไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปทานยาหรือไปหาหมอเป็นการแก้ไขตัวเองอันนี้คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับที่ประจวันหรือบางท่านเนี่ยก็เครียดไปอีกแบบหนึ่งบางท่านอาจจะเกิดความเหงานี่มันก็มีนะ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 เพียงแค่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเท่านั้นนะแล้เราก็รู้ตามกายที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาความเหงามันก็จะหายไปความเหงาเป็นเพียงแค่อาการของจิตเท่านั้นนะที่จริงมันเกิดจากความคิดเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งบางคนบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้คิดอะไรทําทไมจึงเหงา <c oughs> ถ้าไม่คิดมันไม่เหงา <c oughs> มันเหงาเพราะมันคิดอย่างน้อยก็คิดเหงาอ่ะเพราะฉะนั้น อย่าไปหาเหตุผลเลยเราลองมาแก้ไขแก้ไขทางกายแล้วไม่หายเราลองมาแก้ไขทางจิตเพราะเจ้าความเหงาเนี่ยมันเหมือนแขกผู้มาเยือนชั่วคราวเป็นแขกชั่วคราวนะเดี๋ยวเขจะผ่านออกไปมันไม่แน่นอนละ่ะกลับมาทําความรู้สึกตัวทุกครั้งที่เหง า, าเรามารู้สึกตัวอยู่กับกายความรู้สึกตัวเนี่มันแก้ไขความเหงาได้มันไม่เที่ยงหรอกความเหงาอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเป็นความเหง า, าก็ดีความเครียดก็ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไป